أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر น ي م بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد ل ل ه نحمده و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف و, و ن ح د ي ونعوذ بالله من شر ل أ ن ف س ن ا ومن سيات عمالنا ما ي ه د ه الله فلا مدلله و ما ي د ل ل ه فلا ال هاري العماه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่พวกเรากําลังประสบกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับก็ทางสมาคมนะครับก็เห็นพร้อมกันว่าน่าจะกลับมาพูดคุยการเรียนการสอนกันต่อถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ไปเริ่มที่สถาบันที่มัธยมศโดยตรงก็ตามนะครับผม ครับพี่น้องที่รักครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับในส่วนของวันอังคารเนี่ยปกติเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อวิชาหรือว่าชื่อสาระที่เรียกว่าอัตบซีรเราได้คุยกันมาด้วยการย้อนหลังนะครับผมก็คือเริ่มจากอายัดที่1นึ่งร้อยสิบสี่ก็คือสุรตัตนนัสจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของสุรัตที่9กบสครับผมก็ก่อนที่เราจะพูดคุยกันก็ขอข อ, ขอบคุณพวกองค์ล้นนะครับ ขอสรเสริญต่อพระองค์ขอสรีตั้งพระองค์ผู้ซึ่งเมตตานะครับให้บททดสอบเราแล้วก็ในบททดสอบนั้นก็มีความดีงามมันมากมายแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมอิสลามเชียงใหม่ด้วยนะครับผมที่ว่ า, เ, าเป็นผู้ที่ว่าซัพพอร์ตให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมก็ขอรอดตอบแทนทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยความดีงามครับผมในเรื่องของ ทับซีดนะครับผมยังไม่มีเอกสารเป็นรายละเอียดให้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของอัลกุรอานแบบแปลพี่น้องสามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไปแล้วก็เว็บที่แนะนําก็เว็บของดาซีนะครับผมก็หนังสือทุกอย่างดาวน์โหลดฟรีโดยที่ไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทั้งหมดหวังวุงความเมตตาของฟัวร์ล้อย น, นี่คื อ, อเป้าหมายของผู้ที่ก่อตั้งเว็บนี้ขึ้นมาก็ดาวน์โหลดจะมีกุรอานแปลไทยเข้าใจง่ายยูที่30นะครับลองไปหาดูครับผม บาร์กรลอฟพี่กลุมครับพี่น้องที่ว่าไม่ได้พบเจอกันนานนะครับผมทั้งอาจารย์อมารานะครับแล้วก็คุณจำนงอ่ะครับผมเป็นผู้แชร์แล้วแฟนแท้แล้วก็คุณชาคิด ก, กับหลายๆท่านอ่ามาดีนะพงมณีครับหลายๆท่านนะครับผมที่ว่าร่วมกันก็ตั้งแต่ขอตั้งแต่ก่อนที่จะปิดไปก็กลับมาร่วมกันก็ขอพลอฟตอบแทนทุกท่านด้วยความดีงามที่ว่ามาร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดมีแต่ผู้พูดไม่มีผู้เข้าร่วมมันก็คงจะกร่อยนะครับผมถ้าเกิดใช้เป็นไฟล์ดิบอย่างเดียวงั้นเรามีอะไรเราก็พูด คุยกันนะครับผมวันนี้ก็เนื่องจากว่าห่างหายกันไปนานนะครับก็อาจจะไม่ได้เจาะในเนื้อหารายละเอียดลึกเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็หวังว่าจะได้สาระกันมากที่สุดถ้าที่จะเป็นไปได้ขอรอครับถ้าเกิดถ้านใดมีคําถามมีข้อเสนอแนะก็สามารถโพสต์กันได้เลยนะครับผมเรื่องเวลาเรียนของเรานะครับในเบื้องต้นก็คือประมาณทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมซึ่งอาทิตย์หน้าอาจจะมีการปรับปรับเปลี่ยนเดี๋ยวมีขอพูดคุยกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนิดนึง เอาครับคิดว่าน่าจะเกิดมานานพอแล้วนะครับเรามาเข้าเนื้อหาสาระคำพูดที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้หรือว่าเนื้อหาสาระที่การเรียนการสอนนั้นประเสริฐที่สุดก็คือคำพูดของพระองค์ละแล้วก็ไม่มีอะไรจะสัจจริงยิ่งไปกว่าคาพูดของพระองค์ในสุรอลเ ล, ลครับผมมีสาระซึ่งก็เนื้อหานะครับโดยรวมแล้วในสุรอาเล ล, ลู่ที่อยู่ในสุรที่เกเนี่ย นื้อหาสาระก็จะคล้ายคลึงกับสุระอีกหลายหลารสุระที่อยู่ในช่วงยุสอัมมะหรือยุศสายุยสุดท้ายของอัลกุรอานเนื้อหาสาระก็จะเป็นการเตือนสตินะครับทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมให้ได้ไข้ควรให้ได้คุ้นคิดถึงการมีอยู่ของพวกเขาการมีอยู่ของสรรพสิ่งรอบตัวของพวกเขาแล้วก็เป้าหมายในการมีอยู่ของชีวิตแล้วก็เป็นการเตือนให้ระวังสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแน่นอน ไม่ว่าพวกเราจะชอบหรือไม่ชอบมันต้องเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนนั่นก็คือความตายที่มันกําลังจะพุ่งเข้ามาหาพวกเราทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราต้องกลับไปหาพระองค์ละเพื่อที่ว่าจะได้ไปรับการสอบสวนไต่สวนว่าชีวิตเราในดุนยาเราทําอะไรกันบ้างนี่คือสาระในส่วนของสร้อัอะไรลูกกับสร้อยแต่สร้อที่ว่าพูดถึงซึ่งก่อนที่พระองค์ละจะเตือนให้ระวางังพวกองค์ละก็ได้ให้พวกเราได้ใค่อยควรสิ่งที่พระองค์สร้างก่อน เพื่อเป็นการที่ว่าพวกเรานั้นจะได้คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่อย่างไร้สาระหรือว่ามันมีอย่างมีเหตุผลมีอย่างมีผู้สร้างมีอย่างมีเป้าหมายถ้ามีอย่างมีผู้สร้างแล้วมีเป้าหมายเป้าหมายนั้นคืออะไรแล้วผู้ที่สามารถสร้างทุกสรรพสิ่งเหล่านี้ได้นั้นความสามารถของพระองค์นั้นจะมีขนาดไหนเพราะว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจผู้สร้างได้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นพระองค์เราไม่เคยพูดคุยกับพระองค์ แต่เราพยายามเข้าใจผู้สร้างได้ผ่านสิ่งที่บ่งทรงสร้างซึ่งในส่วนของยุสอัมานีครับพวกอลอสก็จะสาบานกับสิ่งต่างๆมากมายเมื่อพูดถึงเรื่องการสาบานในสวรรค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับพวกอลอสก็สาบานในยามข้ามคืนก็คือสุระอเล่ย์อเล่ยลูก็แปลว่ายามกับยามข้ามคืนในเรื่องการสาบานครับถือว่าเราทบทวนนะครับในวันนี้ในหลายๆเนื้อหาเราทบทวนหลายๆอันไปพร้อมๆกันในเรื่องการสาบานปกติแล้ว การสาบานนั้นถูกใช้เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้พูดพูดจริงถูกไหมครับในปกติชีวิตเราในเวลาเราสาบานอะไรก็ตามเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราพูดจริงแล้วคนเราก็จะสาบานกับสิ่งที่เราศรัทธาเชื่อมัน่นหมายความว่าฉันไม่มีทางที่จะโกหกเมื่อมีการอ้างสิ่งที่ฉันศรัทธาอย่ามุสลิมล้วก็สาบานต่อพระองค์ หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างศาสนากก็จะสาบานในสิ่งที่แต่ละท่านเชื่อมันแล้วก็ศรัทธาเหมือนเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลใช่ไหมครับก็เขาก็ให้สาบานกับสิ่งที่เราศรัทธาก็แปลว่าการสาบานคือการยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจริงโดยอ้างสิ่งที่เราศรัทธามากที่สุดและสำหรับพวงร้อนล่ะครับทําไมพวงถึงต้องสาบานด้วยพวงคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างนะักวิชาการได้ให้ ทัชนได้ให้ความคิดไว้หลากหลายครับผมท่านที่ทุ่มเทให้กับอิลมุลอัลกุรอานหรือว่าอิลมุจัสาซีรความรู้เกี่ยวกับการอาธิบายกุรานเนี่ยท่านได้ให้คําอธิบายไว้ครับว่าการสาบานของพ่อของลอร์นั้นพ่อของลอร์สาบานในสิ่งที่พระองค์สร้างและสิ่งที่พระองค์สาบานนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะทําความเข้าใจมันได้ทั้งสิน้น ในการสาบานของพระอัลลอร์ะนะครับพระองค์สาบานในสิ่งที่มนุษย์สามารถทาความเข้าใจมันได้และสิ่งที่พระองค์สาบานนั้นเป็นสิ่งที่ว่าหากมนุษย์ไข้่ควรในสิ่งนั้นๆอย่างจริงจังหากไข้่ควรโดยที่ไม่มีอคติในสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ ล, ลอร์นั้นสาบานแต่และอย่างในคัมพีของพระองค์เราจะเปิดใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาได้เลยว่า สิ่งเหล่านั้นต้องมีผู้สร้างก็แปลว่าการสาบานของพวกอัลลอฮ์หนึ่งในในัยนั้นวร ah, ื่องวุฒละว่าและอัลลอฮ์ท่านทีรู้แต่หนึ่งในในัยนั้นที่นุนชาการพูดก็คือว่าเพื่อให้มนุษย์ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะได้ยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วเมื่อเขาพิสูจน์แล้วเขายอมรับว่ามีพระเจ้าแล้วเขาก็จะยอมรับในคําพูดต่อมาของพระองค์เพราะฉะนั้นเป็นขั้มเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผม แล้ามาดูนะครับในสุราะอะลลลูมีทั้งหมด21อายะครับผมซึ่งในสุรานี้มีจุดโดดเด่นที่แตกต่างจากสุราอื่นๆก็คือว่าการสาบานของขววุนลอร์นั้นสาบานในรูปแบบของประโยคประโยคไม่ใช่สาบานเป็นอันเป็นอันไม่ใช่สาบานด้วยกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เฉยแต่สาบานด้วยกับายามค่ําคืนเมื่ออย่างนั้นยามกลางวันเมื่ออย่างนี้ก็คือประโยคด้วยกับ อาสาบานยกับประโยคแล้วไม่ใช่ประโยคธรรมดาเป็นประโยคที่ว่าไม่มีกรรมผมจะพยายามไปช้าๆนะครับเพื่อให้พี่น้องตามทำอินชาลอถ้าตามไม่ทันก็ขอช่วยทักด้วยนะครับผมในเรื่องการสาบานนะครับปกติแล้วก็ต้องถ่ายทอดสาระให้ชัดเจนเช่นขอสาบานต่อพวงอือนผู้ทรงสูงๆงผู้ทรงยิ่งใหญ่นี่ก็ความหมายชัดเจนลว ในสุราก่อนหนนี้ครับวันไลรีไดยักชอร์ขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันได้มาปกคุมในช่วงเวลาของมันก็คือประโยคสมบูรณ์เมื่อยามค่ําคืนได้มาปกคุมมันแต่ในสุรานี้ครับเป็นปรการสาบานด้วยกับประโยคที่ไม่มีการระบุถึงกรรมหมายความว่าให้มนุษย์นั้นได้ศึกษาแล้วก็คิดในสิ่งต่างๆต่อไปนี้ในทุกนิติที่เขาคิดได้ แล้วเขาจะพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างเช่นองค์การแรกครับพวงอัลลอฮ์ด้สาบานว่าขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันมาปกคลุมเมื่อมันมาปกคลุมปกคลุมอะไรถ้าประโยคสมบูรณ์ในภาษาละับนะครับต้องบอกว่าปกคลุมอะไรแต่เมื่อในอัลกุรอานเนี่อยอาย่านี้พวกอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อมาปกคลุมโดยที่ละคําอปรำกรรมเอาไว้ แทนที่จะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์มันกลับทาให้อายักุะราณนี้ได้แสดงให้มนุษย์รู้ถึงความสวยงามทางด้านภาษาที่เกินความสามารถของมนุษย์ก็คือการใช้ส ม, มุนภาษาที่ไม่มีกรรมแต่มันครอบคุมทุกอย่างที่มันเป็นไปได้ขอสา บ, บานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันได้ครอบคุมปกคลุมท้องฟ้าเมื่อมันได้ครอบคุมมนุษย์เมื่อมันได้ครอบคุมกับโลกเมื่อมันได้ครอบคุมกับต้นไม้เมื่อมันปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ความหมายใช้ได้หมดทุกอย่างเท่าที่เราจินตนาการได้เลยก็แปลว่าเรานั่งคิดแล้วก็คุณคิดถึงการสร้างของพลังล้ออายะแรกเนี่ยพลังล้อสาบานว่าขอสาบานต่อยามคขําคืนเมื่อมันมาปกคลุมแล้วก็ค่อยๆคิดจินตนาการไปเลยครับเมื่อค่อยๆมาปกคลุมโลกจากตอนที่ว่ามีแสงสว่างจ้าแล้วมันค่อย่อๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆมืดค่อยๆมืดค่อยๆมืดหรือว่าตอนที่ว่ามันค่อยๆมาปกคลุมสถานที่หนึ่งสถานที่ใด ทำให้เกิดว่าเราต้องการมีการเปิดไฟหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าอาจจะเป็นก้อนหินอาจจะเป็นพื้นดินอาจจะเป็นต้นไม้เมื่อมาปกคลุมต้นไม้ปุ๊บต้นไม้มีการทํางานที่เปลี่ยนไปถูกไหมครับอย่างที่เราทราบก็คือยามค่ําคืนนั้นต้นไม้จะเปลี่ยนจากการผลิตออกซิเจนมาเป็นการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อย่างที่พวกเราได้เรียนรู้ไปกันมาตั้งแต่เด็กๆครับในสุร้อนี้ครับพวกเราน่าจะปล่อยให้มนุษย์ได้ใช้จินตนาการบวกกับความรู้ทั้งหมดที่เขามีในด้านต่างๆ แล้วถ้าเขาไขว่ควรอย่างจริงจังเขาย่อมจะได้บทสรุปที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้สร้างมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาอย่างไร้สาระมันไม่มีทางที่มันจะฟุกเกิดมาได้ขนาดนี้มันต้องมีผู้สร้างครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผ ม, ผมอยากจะขออ่านอยกอ่านกุรานให้จบสุลาะก่อนอ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ا ل ذ ك ر و ا ل أ ن ث ا إن س ع ي ك م ل ش ت ة فأما من أ ع ط ى وتقى ا وصدق ب ا ل ح س ن ى เวเซนุยะซิรุหูลิยุสรอเอาถึงแค่ตรงนี้ครับเพราะคิดว่าวันนี้เราคงไม่รีบไปไหนนะครับเราค่อยๆไปทีละอายะทีละอายะครับอัลกุรอานครับเราพยายามอ่านให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้ถูกอัคละแล้วก็พยายามใส่ทํานองเท่าที่เป็นไปได้บางท่านอ่านไม่เพาะก็ไม่ต้องซีเรียสครับเราพยายามทำของร้อยดีที่สุดอ่านให้ดีที่สุดให้พวกเลารักเราเนี่ยคือเป้าหมายในการที่เราทําการศึกษาอัลกุรอาน ครับพี่น้องที่รักทีงครับเรามาพูดคุยกันในอายะแรกครับผม one n i g h is the young sir พวกลาผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่พงได้สาบานว่าขอสาบานต่อยามค่ำคืนเมื่อเวลาที่มันนั้นได้มาปกคลุมเมื่อมันนั้นได้มาครอบกรรมหรือว่าครอบคุมในอัลกุรอาน ทุกครั้งเมื่อมีการสาบานสิ่งที่ถูกสาบานนั้นจะมีความเกี่ยวพันกับเนื้อหาสาระที่จะตามมาเสมอแปลว่าตอนนี้พวเลเราสาบานถึงยามกลางคืนตอนนี้เราอยู่ในช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราสมัคมักรีบกลางคืนมาปกคลุมแล้วบรรยากาศแตกต่างจากกลางวันอย่างชัดเจนถ้าสําหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าเขาก็รู้สึกว่ามันก็แค่เป็นการหมุนเปลี่ยนของวันเวลาอาจจะเป็นโลกหมุนอาจจะเป็นดวงจันทร์หมุนอะไรก็ตามแต่ แต่สําหรับผู้ศรัทธาครับถ้าเรามาไข่ควรดูการสร้างสารรค์ของพระนั้นช่างงดงามเมื่อมียามค่ําคืนปุ๊บมีความสงบความรู้สึกอารมณ์มันจะแตกต่างจากยามกลางวันที่วารู้สึกเหมือนกับว่าต้องตื่นตัวต้องมีการทํางานหรือว่าต้องออกไปหาปัจจัยยังชีพต่างๆศึกษาเรียนรู้หรือทําอะไรก็ตามแต่แต่เมื่อเป็นเวลายามค่ําคืนปุ๊บจะมีความสงบรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนปกติอากาศก็มักจะดีกว่าช่วงเวลากลางวัน บางทีมีฝนตกช่วงนี้อากาศก็จะดีขึ้นปีพี่น้องที่รักยิ่งครับทําไมถึงต้องเป็นยามกลางคืนเละแน่นอนครับผมไม่ได้จะมาบอกว่าผมรู้ว่าทําไมพวกเราละ้อะถึงพูดอะไรอย่างนั้นพูดอะไรอย่างนี้พคกย่อมรู้ดีที่สุดในสิ่งที่พวกทรงประทานแต่เรากําลังพยายามมาทำความเข้าใจตามที่ว่านักอถาธิบายกุรานได้อธิบายเอาไว้ในการสาบานต่างๆของพวกว่ามีฮิกมะอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นถ้าเราพูดถึงยามค่ําคืนครับ มีอายะกขุลาน์มากมายไม่ต่ำกว่า65ที่ที่กล่าวถึงเวลายามกลางคืนที่หนึ่งครับในสุรัตฟุรกร อ, อายักที่ 42, ส2่สิบสอพระองคผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้พูดไว้ว่าวะฮุลเลดียาเลไลลวันนะฮะรอเลเฟตเตลลีมันอารอดะไอยาดกะรอเอาอารอดะชูกูรอพองค์ได้กล่าวในขุลาน์เาว่าและพองค์นั้นคือผู้ที่ทาให้กลางคืนและกลางวันนั้นมันหมุนเวียนสลับกันไปเรื่อย กลางวันมาแล้วก็กลางคืนมาทดแทนที่กลางคืนอยู่ปุ๊บกลางวันก็มาแทนที่ผู้รับบอพงคือผู้ทาให้กลางวันและกลางคืนนั้นมันมีการมาเปลี่ยนมาแทนที่กันทำไมครับผู้รับบอกสงหิตวัชเจนเราไม่ต้องไปคิดอะไรเองเลยลีมันอาร์โรอไอยากรสำหรับผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาที่จะไข้ควร หากเราอยากให้ควรอยากคุ้นคิดใครก็ตามยังไม่ศรัทธาในพระเจ้าหากอยากคุ้นคิดถึงการมีอยู่ของพระเจ้าพวกองค์ล้อบอกว่าดูแค่การหมุนเปลี่ยนของการลางวันกลางคืนหรือผู้ศรัทธาถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มพูนอีมานที่มีต่อพวกองค์ล้อเราดูการสร้างสารรค์ของพวะองค์ล้อที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนสุภานล้อสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดอันแรกครับผมการเปลี่ยนแปลงกลางวันกลางคืนที่พวะองค์ล้อให้เกิดขึ้นกับพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ เหมาะสมกับสภาพร่างกายของมนุษย์คือมันไม่เหมือนกับบ้านถ้าเกิดเราสังเกตดูปกติบ้านเราครับเวลาจะมืดเวลาจะสว่างนี่คือเราเปิดไฟถูกไหมครับมืดอยู่ดีเปิดไฟปุ๊บสว่างเป็นยังไงครับจ้าแสบตาบางทีตาปรับตัวไม่ทันหรือสว่างอยู่ดีไฟจ้าปุ๊บปิดแล้วมืดทันทีปุ๊บตาบางทีมันขึ้นอะไรเป็นร่องรอยเป็นอะไรที่ว่าขึ้นมาแทบจะหน้ามืด อันนั้นคือมนุษย์ครับปกติหลอดไฟเราจะไม่เจอหลอดไฟไหนที่มันค่อยๆเปิดให้ตาปรับอะไรก่อนก็คือกดปุ๊บติดปรับส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเรามาดูการสร้างสรรค์ของพวกอลลอครับมันไม่รู้สึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ทาให้เรารู้สึกสะดุดพี่น้องสังเกตไหมคือจากกลางวันเปลี่ยนมากลางคืนหรือกลางคืนเปลี่ยนเป็นกลางวันแล้วไม่รู้สึกว่าสะดุดรู้สึกว่าปึกปักปึกปักไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่รู้สึกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เรารู้สึก เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นไปอย่างสมูทครับราบลื่นหรือใช้คำว่าเป็นไปอย่างปราณีตสุภ า, าครับพี่น้องคิดว่ามันคือความบังเอิญหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าเป็นความบังเอิญเหรอครับที่ว่ากลางวานกลางคืนนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันมีการหมุนเวียนกันไปเรื่อยเืแล้วก็ค่อยค่อเป็นค่อยค่อยไปแล้วก็ให้อารมณ์ให้บทบาทที่แตกต่างกัน พี่น้องจินตนาการออกไหมถึงช่วงระยะเวลาที่มีแต่กลางวันถึงเวลาจะนอนนี่คงจะเครียดถึงเวลาจะพักผ่อนนี่เครียดร่างกายต้องตื่นตัวตลอดเวลาหรือถ้าเกิดมีแต่กลางคืนจะดำเนินชีวิตยอยู่ก็ลำบากจะมีเชื้โจรขโมยอะไรมาไม่มีความไม่ปลอดภัยในการที่จะออกไปนอกบ้านแต่เมื่อทุกอย่างมีความสมดุลมีการสลับกันอย่างงดงามพี่น้องว่ามันไม่มีผู้สร้างเลยจะไม่มีผู้สร้างสิ่งเหล่านี้มันจะบังเอิญได้ ยนตงามขนาดนี้หรือพวกเราบอกว่าวันไลลีดายักชาขอสาบานต่อยามค่ำคืนเมื่อมันมาปกคลุมซึ่งในยักกุรานที่ผมยกต่อมาก็คือสุรฟุรกกรอายะิยีอ่ะสี่สบสที่ว่าและพงคือผู้ที่ทำให้กลางคืนและกลางวันนั้นมาหมุนเปลี่ยนกันแก่ผู้ที่ต้องการจะค่าควรหรือผู้ที่ต้องการจะขอบคุณหมายความว่ายงไงครับพี่น้องเคยหมครับบางครั้งเวลาเราละหมาเสร็จ ากตีเวลาเรามาเสร็จล้วก็ต้องรำลึกถึงพระองค์หลังจากที่จะอัสซัคฟุลลอฮ์อัสซัคฟุลลอฮ์อัสซัคฟุลลอฮ์ใช่ไหมเป็นเลขที่3ครั้ง7ครั้งก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเราก็จะกล่าวสุภาณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลแลพี่น้องที่รักครับมุสลิมเราเวลาลำลึกถึงพระองค์เนี่ยมันคือคำว่าลำลึกลิ ก, กรุณคือการลำลึกลำลึกก็คือคิดถึงพระองค์มันไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อที่จะเร่งเ่งให้มันจบไม่ใช่สุมาลาสุมาลาุาลาสุมาลาสุมาลาสาลอัน น, น อันนั้นมไปเรียวเป็นการพูดการบน่นการอะไรก็ตามแต่ละมันเหมือนกับว่าเราเน้นจะให้มันครบสาสิบสามใบวซึ่งมันไม่ใช่การล้ำลึกถึงพระเจ้าการรู้ถึงพระเจ้าก็คือสุภาโนล้อคือเราขอสิริต่อพระองค์ไงสุภาโนล้อสุภาโนล้อคิดถึงความยิ่งใหญ่ของโนล้อไปด้วยแต่ทีนี้ครับพอมาถึงคําว่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลละคือเราขอสรรเสริญพระองค์ในความเมตตาที่พระองค์ให้กับเรา บางครั้งครับเราคิดไม่ออกว่าเรามีความเมตตาอะไรบ้างที่พงให้กับเราเราพูดอาฮัมดลิแล้แต่บางทีเราอยากจะคิดว่าขอบคุณพวอเลาะด้านไหนเป็นพิเศษดีไหมพวอเลาะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการจะขอบคุณก็คิดถึงยามค่ำคืนสิคิดถึงการที่มีกลางวันสิคิดถึงการที่ทั้งคู่นั้นมาสลับหมุนเวียนกันไปสิเรามีเรื่องให้ขอบคุณพอ่อเมากมายเลย อัลฮัมดุลิลละที่ให้กลางวันนั้นเป็นการทํางานของเราอัลฮัมดุลิลละที่ให้มีแสงสว่างพอเพียงกับการดำเนินชีวิตอัลฮัมดุลิลละที่ทําให้เราสามารถได้ศึกษาได้เราเรียนในช่วงเวลากลางวันอัลฮัมดุลิลละที่เราให้เราได้ทําการงานอัลฮัมดุลิลละที่ว่าให้มีแสงแดดให้เราตากผ้าได้อัลฮัมดุลิลละที่ว่าให้มียามค่ําคืนไหมในยามที่เราเหนื่อยแล้วอัลฮัมดุลิลละที่ทําให้การพักผ่อนนอนหลับของเรานั้นสะดวกสบายอัลฮัมดุลิลละที่ว่าทําให้มันนั้นสลับกันไปแค่การสลับหมุนนนนเปลลลี่่ยระหววาาางงงกกัคื อัไรทำได้แล้วที่พี่น้องจะพูดเนี่ยพ bon ี่น้องนั่งคิดได้เป็นร้อยจริงๆฮัวล็อตจึงจ่าไว้ในกุฎร่านครับว่า هو الذي جعل الليل والنهار خلفت لمن أراد أي الذكر أ ล็พูดเตือนสติว่าพวกนั้นคือผู้ที่ทําให้เกิดกลางคืนแล้วกลางวันให้มาสลับกันทั้งนี้ทางนั้นสําหรับผู้ที่ต้องการจะใขว่คว้และสําหรับผู้ที่ต้องการจะขอบคุณ อันนี้คือยามค่ําคืนที่มีการกล่าวว่าในอัลกุรอานซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าในกุรอานมีไม่ต่ำกว่า65ที่ที่ว่าพูดถึงยามค่ําคืนครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาทยอยมาช่วงหลังนะครับเราก็ให้สละมาก็วาลิกุมซาแล้ววาบุลโลวาบารอกยตุครับผมถ้าผมไม่ทันเห็นข้อความของท่านใดผมก็ขอมาอัด้วยนะครับผมมีผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์เข้ามาหลายท่านก็ขอบคุณครับที่ให้เกียรติเข้ามาครับผมจษฎาคุณลักษร์ครับแล้มาดูต่อมาครับอายะต่อมา พระกาวว้ครับวะห์ هو الذي يتوافك بالليل ويعلم مجارح بالنهار ثم يبعثكم فيه ليق ليقطع أجلم أجلم مسمى ثم إليه مرشئكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون พวกองคเล่าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับพระองค์ได้กล่าวไว้ครับในในสุรทิศที่อายะที่6พวกเราได้กล่าวว่าและพวกนั้นคือผู้ที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายได้เสียชีวิตในยาม ค่ำคืนก็คือนักวิชาการเราเรียกการนอนหลับว่าเป็นการตายเล็กเพราะว่าสภาพความรู้สึกเราเหมือนกับคนตายคือเราไม่มีไม่เหลือตัวตนของเราเลยอาจจะมีช่วงที่เราฝันที่เห็นอะไรบ้างช่วงที่ตื่นมาบ้างแต่ถ้าช่วงเวลาที่หลับนี่คือเหมือนคนตายถูกไหมครับคือไม่รับรู้อะไรเพราะเราก็บอกว่าพวกนั้นคือผู้ที่ทาให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเสียชีวิตในยามค่าคืนก็คือตายเล็กก็คือนอนหลับ แล้วพระองค์นั้นได้รู้สิ่งที่พวกเจ้าได้ขวนขวายในยามกลางวันแล้วพระองค์ก็จะให้พวกเจ้านั้นได้มาทํางานทําการอะไรก็ตามแต่ที่ต้องการในยามกลางวันจนถึงระยะเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้หลังจากนั้นพวกเจ้าทุกคนจะกลับไปหาพระองค์แล้วพระองค์จะบอกพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทําเอาไว้ซุพานอลล์ครับที่พวกอลล์กล่าวว่ในกุรานตรงนี้พวกอลล์บอกว่าไงครับพวกอลล์บอกให้เรารู้ว่า ในยามกลางคืนกับยามกลางวันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราถูกไหมครับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดตั้งแต่เติบใหญ่ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่เราก็ผ่านกลางวันกลางคืนเพราะาเร า, าทั้งหมดเนี่ยมีบริบทที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นทำ ซึ่งพวกเจ้านั้นก็จะได้ทำอะไรก็ตามแต่ที่เจ้าอยากจะทำจะทำความดีในตอนกลางคืนจะทำความช่วยในตอนกลางคืนจะทำการดีในในตอนกลางวันจะทำความช่วยในตอนกลางวันจะทำอะไรก็ตามแต่จะหาเลี้ยงชีพจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราบอกไงครับพวกเจ้าจะได้ทำเมื่อจนถึงจุดจุดหนึ่งถึงช่วงระยะเวลาหนึง่งก็คือจนถึงช่วงที่อายุขของเราจะจบพวกเราบอกให้รู้ว้ามันคือสัจธรรมเราจะทุ่มเทให้กับ ยามค่ําคืนแค่ไหนจะทุ่มเทให้กับยามกลางวันแค่ไหนเราต้องการอะไรแค่ไหนก็ตามพวกอัลลอฮ์ก็บอกว่ามันก็จะถึงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นสิ่งที่รอพวกเราทุกคนอยู่ก็คือการที่ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพวกอัลลอฮฺสุบานูตา้าลาลับบันทึกบัญชีของพวกเราทั้งความดีความชั่วที่พวกเราทําแล้วก็รับการไต่สวนจากพระองค์ว่าเราได้ทําอะไรไว้บ้าง แล้วมีอะไรบ้างที่เราตระเตรียมเพื่อวันเกีย <ä>. ร์มาของพวกเราฟันสันรุษน้ำตุ้นมากัตมาตริรัตวัตตะกุลล้อที่พ่อหลวงกานกลนิกรานครัว่าแต่และชีวิตนั้นจงดูสิว่าเขาได้ตระเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อโลกหนา้เ า, า <Okay. S 2> เราอาจจะคิดว่าเราละหมาดเยอะเราอาจจะคิดว่าเราทําความดีเยอะแต่พี่น้องลองมาคิดดูว่าใน24ชั่วโมงกลางวันเราตีครึ่งๆเลยก็ได้อะกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมง เมื่อเรามาดูเวลาปุ๊บมันมีในเรื่องของการทำงานของเรามันมีเรื่องของการนอนของพวกเรามันมีเรื่องของการรับประทานอาหารมันมีเรื่องของการพักผ่อนมันมีเรื่องของการอหลงระเริงในดุนยาของพวกเราซึ่งกินเวลา20กว่าชั่วโมงพี่น้องเห็นด้วยไหมจะมีเวลาที่เราตะเตรียมในหนึ่งวัน24ชั่วโมงเ่ยที่เราตะเตรียมเป็นเซเบียงเพื่อโลกอาเคโรเนี่ยน้อยมากหมายความว่า ถ้าเราตียังไงไว่ง23ชั่วโมงถ้าเราคํานวณว่าใน1วัน23ชั่วโมงเราทุ่มเพื่อให้ได้ดุลยาซึ่งถึงเวลามันไม่ใช่ของเราถึงเวลามันจะจากเราไปถึงเวลามันจะไม่เหลืออะไรให้เราเลยนอกจากเหมือนกับเป็นภาพดวงตาที่เราขับไปไกลๆกันอากาศร้อนๆเห็นไกลๆเหมือนจะมีแหล่งน้ําเหมือนว่ามันจะเป็นน้ําให้เราได้ไปดื่มกินแต่พอเราขับไปถึงปุ๊บสุพานอวะมันเป็นแค่ภาพลวงตามันไม่ใช่น้ําที่มีจริงเหมือนกับดุลยาที่เหมือนเร า, าอยากจะหับ หยิบช่วยแล้วก็ตามแต่ผมอาจจะหยิบว่าผมมีเสื้อผมอาจจะรู้สึกว่านี่มันเป็นเสื้อของผมแต่สุภานณละใครจะไปรู้ล่ะครับบางทีเสื้อนี้อาจจะถูกตกทอดไปเป็นของคนอืน่นผมอาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะได้ได้ใส่มันแล้วมันเป็นของคนอื่นก็แปลว่ามันก็ไม่ใช่ของผมมันก็เป็นเพียงภาพลวงตาที่ผมเข้าใจว่าเป็นของผมแล้วเหลืออะไรที่เป็นของผมแล้วระการงานที่ผมทำการงานที่ดีอัลฮัมบิลละถ้าการงานที่ไม่ดีนะอูซุบิลละขอรับปกป้องพวกเราให้เราพ้นจากผลที่จะตามมา นี่คือสิ่งที่ตามมาครับกับช่วงเวลาที่เราใช้ไม่เป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนแล้วพระองค์ละก็ได้บอกว่าถึงเวลาพระองค์ละจะบอกพวกเจ้าว่าพวกเจ้าทําอะไรกันมาไปบ้างซึ่งจริงๆพระองค์ละไม่จําเป็นต้องบอกอะไรเราแล้วกาแฟบีนัพซิการเย่มาอะไรก็ฮัซี่บะในวันนั้นน่ยพระองค์ละบอกว่าไงครับพวกเจ้าตัดสินตัวเองก็ได้แล้วแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์ละการตัดสินของพระองค์ละบางครั้งก็จะมีการ พลิกล็อกเราคิดว่าไม่น่าจะรอดแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์ละพระองค์ละให้เรารอดนี่ก็คือสิ่งที่มุสลิมนั้นหวังต่อพระองค์ก็องละก็คือเราหวังความเมตตาต่อพระองค์แต่ในขณะเดียวกันครับอย่าเอาความหวังในความเมตตาของพระองค์ละมาเป็นข้ออ้างในการเกียรติขานมาเป็นข้ออ้างในการไม่ทําความดีมาเป็นข้ออ้างในการทําความชั่วบางคนครับโอ้พระองค์ละเมตตาเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันค่อยไปเตาบ้าตอน ก่อนตอนอายุเยอะๆตอนใกล้ตายก็ได้บางคนก็บอกไม่ไปเป็นไรตอนนี้ฉันทําธุรกิจเงินมันกำลังมาดีมันเป็นเงินฮารอมฉันรู้แต่ขอให้ฉันรวยก่อนถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวฉันจะบริจาคเยอะๆเดี๋ยวฉันจะทําฮัทเดี๋ยวฉันจะนั่นเดี๋ยวฉันจะนี่พี่น้องที่รักยิ่งครับพวกเราได้เตือนไว้ในอัลกุรอานพวกเราได้พูดเตือนไว้ครับว่ามนุษย์บางส่วนเขาบอกว่าไงครับหากพระองค์ให้สิ่งที่ดีงามกับเราเราก็จะทําการบริจาคทานเกือบทุกคนพูดแบบนี้แหละ ถ้าฉันรวยฉันจะบริจาคถ้าฉันรวยฉันคงจะช่วยคนนั้นถ้าฉันมีเงินฉันคงจช่วยทางนี้ถ้าฉันมีเงินฉันจะทำอย่างนั้นถ้าฉันมีเงินฉันจะทำอย่างนี้เพราะเรากขาว่าในกุรานว่าไงครับแล้วเมื่อเราได้ให้บางส่วนจากความปวดปานของเราแก่เขาบัคีลูพวกเขาก็จะหนี่ถีเหนียวเพราะการทําความดีมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตพี่น้องครับย้ำนะเราต้องตอกย้ํากับใจตัวเองว่าการทําความดีไม่ใช่เรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของปัจจุบัน เพราะอนาคตคือวันที่ไม่มีทางมาถึงถ้าพี่น้องมัวแต่เผื่อเดี๋ยวฉันค่อยเป็นคนดีเดี๋ยวฉันค่อยละมาทีา่ยครบเดี๋ยวฉันค่อยกลับตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในภาษาลาบใช้คาว่าเศ้าฟ่าเศ้าฝ่าถือว่าเป็นโรคหลายอย่างหนึง่งที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ การจะเป็นคนดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้อย่างตอนนี้พวกเรามาพูดคุยกันเัืงศาสนาเรามาพูดคุยกันในเรื่องคําพูดของพวกอัลลอฮ์มันคือความดีงามแล้วเพราะนี่คืออัลกุรอานแค่มีการพูดคุยกันก็ได้ผลบุญแล้วถ้าพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปปฏิบัติเอาไปทําเป็นการงานที่ดีเอาไปบอกต่อคนอื่นมันก็คือความดีงามความดีไม่ใช่เรื่องยากอย่าไปอิจฉาคนดี คนอื่นๆที่เราเห็นเ อ, อ้คนนั้นดีจังเลยหน้าอิจฉาโ อ, อ้คนนี้ทำไมดีจังเลยเดีบริจาคคนนั้นดีจังเลยเดีสอนคนอื่นคนนี้ดีจังเลยเดีเสีสละไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาใครเราทําตัวของเราให้ดีที่สุดเราพัฒนาตัวเองของเราให้ดีที่สุดนั่นแหละคืออามา n ะหลักของเราครับที่ว่าเราจะต้องทำอ๋อคุณหมออารเข้ามาด้วยนะครับให้สลามด้วยนะครับวายเล็กกลุ่มสลามรัตัวแล้วว่าบา ร, ร์การตูครับคุณหมอที่รักครับแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับผมบรราร์การลาฟีกลุมครับผม ครับเรามาดูต่อครับเมื่อพูดถึงยามค่ําคืนนะครับก็แปลว่าบทบาทหลักๆครับในกุฎางทุรลักข่าวคือว nah ัวจันนันเลลิบสซ์วัจันนันห้ารามาชาเราได้ทําให้ยามค่ําคืนนั้นเป็นอาพรสุภานลละพี่น้องดูการใช้คําพวกเลาใช้คําว่าขอมัพนะครับคือผมถอดมาเป็นภาษาไทยได้แค่นี้ความสามารถผมมีแค่นี้ถ้าถอดมาพวกเราบอกว่าและพวกนั้นได้ทําให้ยามค่ําคืนนั้นเป็นอาพร การปกคุมนี้ไม่ใช่ปกคุมแบบว่าคุกคามแต่มืคิดถึงอาพรพี่น้องลองคิดถึงเวลาที่เรากำลังนั่งอยู่อาจจะนั่งหนาวอาจจะนอนอาจจะอะไรแล้วมีคนเอาผ้ามาห่มให้ให้เรารู้สึกสบายนั่นคืออารมณ์ที่เราได้ในยามค่ําคืนอารมณ์หลักๆที่เราจะได้ในยามค่ําคืนนอกจากพี่น้องบางท่านที่ถูกกระร้าทดสอบเพยังกลัวผีอยู่ย้ำนะครับมุสลิมห้ามกลัวผีเด็ดขาดมุสลิมห้ามกลัวผีเพราะมันไม่มีอยู่จริงเราจะกลัวสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ไงถูกไหมครับ อ้าวับพวกราบอกว่าพวกเรนทำให้ยามค่ําคืนนั้นเป็นอาพรแล้วก็ทําให้กลางวันนั้นสําหรับการดําเนินชีวิตชัดเจนใช้คําสั้นๆกลางวันดําเนินชีวิตการศึกษาก็คือดําเนินชีวิตทำมาหากินก็คือการดำเนินชีวิตเฉพาะปลูกจะเลี้ยงสัตว์จะทําอะไรก็เป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตทั้งสิน้นส่วนยามค่ำคืนเป็นเรื่องของอาพรให้พักผ่อนอันนี้คือเคสทั่วไปในยักษ์โบรานจะมีการพูดถึงกฎหลัก กับข้อยกเว้นแน่นอนครับในที่นี้ก็คือมีบางท่านที่อาจจะประกอบอาชีพที่ว่าเป็นอาชีพที่ยกเว้นอย่างบางท่านเป็นพยาบาลบางทีนี่คือกะเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยมีกะเช้ากะกลางคืนบางทีนี่คือสว่างคาตาอันนี้ก็คือเป็นเคสส่วนน้อยซึ่งก็ขอร้อยความเมตตาให้ผ่านพ้นไปได้หรือบางท่านอาจจะเป็นรอพอบางท่านอาจจะทาอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเวลาอาจจะสลับกัน แต่โดยหลักแล้วพวกเราบอกว่าตามธรรมชาติของมนุษย์สิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุดคือกลางวันเนี่ยสำหรับการดำเนินชีวิตแล้วก็กลางคืนนั้นสําหรับการพักผ่อนนี่คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่ได้ตามนี้ก็แปลว่าก็เป็นบททดสอบที่พวกเราทดสอบแต่เราอย่าไปทดสอบตัวเองอย่างบางท่านครับถึงเวลาหลับเวลานอนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ใช่ละมาดตฮัดยุษนะแต่ว่าทําอะไรก็ไม่รู้แหละจนดึกดื่นเลยบางทีไม่ทานละหมาดอิชาอย่างเงี้ย เออเดี๋ยวขอฉันเสียเวลาแป๊บหนึง่งขอฉันยกมือถือนิดนึงขอฉันทํางานคอมนิด น, ง น, น, นึงขอฉันเล่นนั่นขอฉันเล่นนี่บางทีเพลินไปเอ้าวห่าทุมแล้วอ้าเที่ยงคืนแล้วเอ้าไม่ไหวแล้วฉันต้องหลับแล้วละหมาดอีชาเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันตอนนี้ไม่ไหวบางท่านกระตุ้ทดสอบด้วยกับรูปแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นะผมก็เลยย้ําว่าระวังโรคคําว่าจะพี่น้องสังเกตดูนะโดยเฉพาะเรื่องละหมาดนะครับหลายครั้งเราจะพบว่าถ้าเราใช้คําว่าจะกับคําว่าละหมาดเรามักจะละหมาดอีกทีตอนเลยเวลาไปแล้ว หรือตอนแทบจะเป็นช่วง้ายแชบแทบจะไม่ทันเพราะมันก็แปลกนะครับบางครั้งพอเราคิดว่าได้เวลาปุ๊บเราที่จะละหมาดปุ๊บแล้วถ้าเราไม่ละหมาดบางทีมันเหมือนกับว่าพวกกันเลาะทดสอบเราให้มีงานเข้าอะครับต้องไปตรงนั้นต้องไปอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนีน้ต้องช่วยคนนั้นต้องช่วยคนนี้อาวถึงเวลาหมดเวลาละหมาดคิดว่าหลายท่านน่าจะเคยเจอเคสอะไรประมาณนี้ถ้ามันเป็นความจําเป็นครับละหมาด บางช่วงเวลารวมกันได้อย่างที่เราทราบกันดีดูรีอัสรีรวมกันได้มักลิบอิชารวมกันได้ถ้ามีเหตุจําเป็นตามในบันทึกของมามุสลิมครับเรากลับมาคุยในยามค่ําคืนครับผมถ้าเราดูถึงยามค่ําคืนเนี่ยในอัลกุรอานอัลกุรอานจะมีการพูดในหลายมิติด้วยกันจะมีการพูดถึงมิติเรื่องของการศรัทธาซึ่งก็เราได้ฟังได้เรียนกันแล้วเมื่อวานจากอาจารย์ดาวุฒใช่ไหมครับผมเรื่องของอากีนะเมื่อวานถ้าจะไม่ผิดให้ไปเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของอะไรกัน ในกุรอานก็มีการพูดถึงเรื่องมิติของการปฏิบัติเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายสากาดและในขณะเดียวกันในอัลกุรอาน ก, ก็มีมิติที่เล่าถึงเรื่องประวัติศาสตร์แต่จะพบว่าประวัติศาสตร์คนดีๆหลายท่านที่พงศลักษณ์เอามานํามายกยกให้เราได้ศึกษากันเนี่ยมีหลายท่านที่ว่ามีช่วงเวลาที่เกี่ยวกับยามค่ําคืนที่เราจะได้สาระจากการศึกษาประวัติศาสตร์เหล่านั้นอย่างในช่วงของ น บ, บีอิบราฮิมครับในสุรเลนอามอายะที่เ6็ดสิบหกเฟลเมยันอเลหิเลอุท่านนบีอิบราฮิมอย่างที่พวกเราทราบกันครับว่าช่วงตอนที่ท่านนั้นเริ่มจะแตกหนุ่มช่วงตอนที่ท่านนั้นเริ่มจะแตกหนุ่มท่านได้ไปนั่งแล้วก็มองท้องฟ้าให้ชาวเมืองได้เห็นกันนะครับว่าท่านกําลังมองท้องฟ้าเพราะว่าในยุคสมัยของท่านน บ, บีอิบราฮิมในช่วงนั้นครับชาวเมืองนั้นทําการบูชาดวงดาวต่างๆ ดวงดาวก็อยู่บนท้องฟ้าไงเขาบูชาดวงอาทิตย์บูชาดวงจันทร์บูชาดวงาดาวเสาหรือว่าดวงดาวต่างๆนานามากมาจะมีหลายดวงที่เขาบูชาโฟลล็อกก็เริ่มครับว่าเมื่อเข้ายามค่ำคืนนบีอูบราฮิมก็ได้มองไปบนท้องฟ้าแล้วก็ได้เห็นดวงดาวแล้วก็บอกว่าโอ้ดวงดาวเหล่านี้คือพระเจ้าใช่ไหมเพราะว่าช่างมีแสงสว่างสุกสกาวอะไรอย่างนี้เมื่อผ่านไปสักพักครับดวงจันทร์กับทอแสงมากกว่าอย่างอื่นก็คือเผยแสงออกมาอย่างเต็มที่ น บ, บีอิบรอฮิมก็พูดให้กับชาวเมืองฟังว่าโอ้เงี้นดวงดาวดวงดาวน่าจะไม่ใช่ละมีสิ่งที่สว่างกว่าเงี้นดวงจันทร์น่าจะเป็นพระเจ้าท่านพูดเพื่อชาวเมืองได้คิดเพระเาะชาวเมืองก็คงจะเห็นท้องฟ้าอยู่แล้วแต่บางทีไม่มีโอกาสได้มานั่งคิดจริงๆจังๆเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพระเจ้าจริงก็ต้องมีความเหลื่อมล้อนกันให้เกิดมีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งตอนเนี้ยแสงดวงดวงดาวมีนิดเดียวดวงจันทร์แสงเยอะกว่าเงี้ย น, น่าจะเป็นพระเจ้าที่ใหญ่กว่า ท่านอับดุลเลก็ออกงั้นดวงจันทร์นี่จะเป็นพระเจ้าใช่ไหมหลังจากนั้นครับท่านก็นั่งรออยู่จนกระทั่งถึงยามเชา้ายามเช้าท่านก็บอกว่าโอ้ทั้งหมดหายไปหมดเลยเลยหายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยดวงดาวก็หายดวงจันทร์ก็หายที่โผล่คืออะไรครับดวงอะไรที่ดวงทิศโผล่มาปุ๊บที่เหลือหายหมดท่านอิบดุลเลก็บอกว่าเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วงั้นน่าจะเป็นพระเจ้าใหญ่ที่สุดเมื่อโผล่มาปุ๊บทุกอย่างหายไปหมดชาวเมืองก็ที่ฟังที่ได้สาระที่ไม่ได้สาระก็ อย่างนั้นก็ได้ฉุกคิดทัศิวิทย์ระยมก็รอจนกระทั่งว่าถึงยามค่ําของอีกวันหนึง่งดวงอาทิตย์หายทัศิวิทย์พิงค์ก็ลาอุทิศบุญอาฟีลีนฉันไม่รักมันเป็นไปไม่ได้หรอกพระเจ้าผู้ที่มามาแล้วก็ไปไปผู้ที่ว่าโดนสยบแต่แลวววววววะวันโดนสยบโดนสยบโดนสยบแต่ทัศิวิทระยมว่าฉันศรัทธาต่อผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผู้ที่สร้างฉันแปลว่าตอนนั้นทะศนิวิทระยมรู้จักพระเจ้าแล้ว การที่ท่านพูดว่าถึงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นการพูดเพื่อให้ชาวเมืองที่ศรัทธาต่อดวงดาวต่างๆได้ฉุกคิดตามนี่คือฮิ๊กมาครับที่เกี่ยวกับยามค่ําคืนซึ่งเมื่อเราดูดวงดาวต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ดูแค่ ค, ความสวยงามไม่ใช่ดูแค่ว่าเออ น, นี่เป็นกลุ่มดาวคันถ่ายนี้เป็นกลุ่มดาวนั่นกลุ่มดาวอัน น, นี้ตามความเชื่อของเขาก็ตามแต่ศึกษาเป็นความรู้เรื่องดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มุสลิมศึกษาได้ แต่ในข้อเดียวกันครับเวลาเรามองอะไรก็ตามอย่าลืมว่าเราจะได้ผลบุญในทุกๆอย่างที่เรามองถ้าเราคิดถึงพระองค์อัลลอฮ์ด้วยมองดวงดาวดาราศาสตร์โอ้ดาวมันเรียงตัวกันมองมุมไกลเหมือนกับมันเลียงแต่จริงๆมันมีงวงโคจรอของมันสุบฮานอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างออกมาอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินพระองค์เป็นผู้ที่สร้างอย่างงดงามอย่างปราณีตริ่งอย่างนี้เรียนได้ความรู้ด้วยได้ผลบุญด้วยอัลลอฮ์รักด้วยอ إ ي م านเพิ่มด้วย เพราะนั้นพี่น้องตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราศึกษาอยู่ศึกษาอะไรก็ตามทุกความรู้ที่พี่น้องศึกษาสามารถโอนเป็นผ ล, ลบุญได้ถ้าพี่น้องคิดถึงพวงละล้อด้วยหรือคนที่กําลังทํางานทุกครั้งที่กําลังทํานี้งานทุกการงานของเราโอนเป็นผ ล, ลบุญที่จะได้หนะ้าที่พวงละล้อด้วยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจฮะดิษที่บอกว่าไงอินนมละแม่ลูบินิยัตการงานทั้งหมดคุณค่าของมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราให้น้ําหนัก ให้ความปราณีตให้ความสาคัญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเหมือนกับช่างฝีมือเวลาที่ทุ่มเทให้กับงานฝีมือสักชิ้นเขาทุ่มด้วยใจไงเหนียดของเขานี่คือเต็มๆ u l l อะไรไงเขาไม่ได้มาบอกว่าฉันขอเหนียดว่าฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไอ้เรื่องการพูดเป็นประโยคใครก็หลอกตัวเองได้ เราอาจจะหลอกว่าเราทําเพื่อลอแต่ในฮะดีษที่บอกว่าการงานทั้งหมดคุณค่าที่เจรนามันหมายถึงแรงผักดันจริงๆเลยว่าเราทุ่มเททุ่มเทให้กับสิ่งนั้นแค่ไหนทุ่มเทให้งานฝีมือเต็มที่มันก็จอกมาสวยถูกไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ค่อยเชี่ยวชาญยิ่งไม่ค่อยเชี่ยวชาญยิ่งเราจะยิ่งทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เสริมนะครับในประเด็นนี้ก็คือเวลาการละหมาดของพวกเราเราต้องสอบสวนตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่ละหมาดการทําความดีทุกอย่างเลย เวลาเราทําเราทุ่มเทแค่ไหนเราปราณีตไหมหรือว่าเราทําให้มันจบให้มันจบจ บ, จบไปเฉยถ้าไม่มีความปราณีตแปลว่าเจตนาเราไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจเพื่ออะไรถ้าบริสุทธิ์ใจเพื่อพวงอลละไรเราต้องปราณีตเหมือนกับเรากําลังพยายามประกอบอะไรที่สวยงามการละหมาด ก, ก็คือการที่เราพยายามทําทุกอิริยาบถล้วกําลังทําเซตของอีบาดานะ เริ่มด้วยกับการตักเบียร์ตินอยาะรอมยกมือกอดอกลำลึกถึงพระอัลลอฮฺอ่านอัลกุรอานมีการรูกก้ขวามีการเอี่ยตีดานยืนมีการสูดมันเป็นเซตของอีบาดะที่เราทําเพื่อให้พระเจ้าพอใจเราก็แปลว่ามันต้องมีความปราณีตในทุกอิริยาบถต้องมีการทุ่มต้องมีการใส่ใจเข้าไปในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพี่ต้องเห็นด้วยใช่ไหมครับ อย่างตรวจสอบเยงง่ายๆครับว่าสิ่งที่เราทำมีคุณค่าอะไรแค่ไหนก็ดูว่าเราทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านั้นยังไงแค่ไหนทุกเรื่องในชีวิตครับพี่น้องสามารถดูได้เลยว่าพี่น้องให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นมากแค่ไหนครับผมเรามาดูย่าต่อมาครับที่พูดถึงยาม่ําคืนครับในสุรรู้ครับผมข่ามาครับในสุรหแต่พูดถึงนบสุหุษาที่แบครับ ฝ่าอัชริบีอะลิกะบีเกตาอิมมินัลไลนี่ในยามค่ำคืนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนบีลูตอย่างที่พวกเราทราบก็คือนบีลูตเนะี่ยถูกแต่งตั้งให้กับกลุ่มชนชาวมดยันซึ่งที่ตั้งของเมืองมดยันในปัจจุบันก็คือทเทลิซาบเดซีท่านาบีลูตถูกแต่งตั้งให้กับกลุ่มชนซึ่งกลุ่มชนของท่านเนี่ยมีทั้งการป้มสะดมป้นสะดมแล้วก็มีทั้งเรื่องของการรับร่มเพศ ซึ่งพวกล้อได้บอกคำนิยามของคำลักล้อมเพศสั้นๆว่าพวกเป็นคำพูดของนบีลุตว่าพวกท่านนั้นเป็นกลุ่มชนที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยทําไมถึงฟุ่มเฟือยครับเพราะธรรมชาติที่สร้างมาที่อยู่กันอย่างเหมาะเจะ ก, ก็คือเพศชายคู่กับเพศหญิงมีลูกหลานได้แล้วก็อยู่กันก็คือเพศชายมีด้านเด่นของเพศชายเพศหญิงมีจุดเด่นของเพศหญิงเมื่อมาอยู่ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มกันต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันต่างฝ่ายต่างแก้ไขกันและกันถ้าเนียดเพื่ออล้อนะถ้ามีเจตนาที่ดีผู้ชายก็ดีขึ้นผู้หญิงก็ดีขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ครับกลับกลายไปว่าเอาผู้ชายมาคู่กับผู้ชายซึ่งจุดเด่นของผู้ชายกับจุดเด่นของผู้ชายมันมาคู่กันปุ๊บไม่มีใครมาอุดจุดว่างแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเรื่องของอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ใข่ยอย่างเดียวเท่านั้น ที่ว่ามาอยู่ร่วมกันในอย่างในกลุ่มชนของน บ, บีรูตเพราะฉะนั้นนี่ครับที่พระเจ้าบอกไว้ในส่วนของการรักลวงเพศนั้นเป็นเรื่องที่ว่าพฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือยซึ่งฟัวราล้อไม่ชอบผู้ที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ชอบผู้ที่สุรุยสุลายเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่โดนทดสอบอยู่ในเรื่องของการที่ว่ามีอารมณ์รักชอบเพศเดียวกันมันไม่แปลกที่เราจะถูกทดสอบอย่างนี้ประการแรกนะครับ เพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านที่มาปรึกษากับผมเขาก็บอกตรงๆว่าเขาเป็นเกย์เนี่ยแหละเป็นมุสลิมเลยเนี่ยแหละบางท่านก็บอกกับผมก็เป็นตุ๊ดเนี่ยแหละผมจะทายังไงดีประการแรกที่อยากให้พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เราจะมีอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาที่ไม่ดีที่เป็นด้านลบมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเพราะใจเราถูกสร้างมาถูกเรียกว่าฮาวา สิ่งที่จะทําให้ตัวเรานั้นตกต่ําว่าคือทําให้ตกต่ําคือการที่จะมีความคิดแวบไม่ดีในหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยสําหรับทุกคนโดยเพราะชัยตอนบางทีมันก็มาแย่แต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อมันแวบเข้ามาแล้วเราควบคุมมันยังไงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสี่ปัญญาซึ่งเราสามารถเอาสีปัญญาควบคุมอารมณ์เราได้ หมายความว่าบางท่านอาจจะมีความปรารถนาต้องการทางเพศกับเพศเดียวกันไม่ผิดอย่างที่ผมบอกมันเป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นมันจะผิดก็ต่อเมื่อพี่น้องเอาไปลงมือปฏิบัติมันจะผิดก็ต่อเมื่อพี่น้องไม่สามารถควบคุมมันได้มันจะผิดก็ต่อเมื่อว่าพี่น้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความปรารถนานั้นเหมือนกับถ้าเกิดผู้ชายแล้วปกติครับเราก็อยากอยู่ใกล้กับผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงที่ว่าถูกสเปคเรา อาจจะหุโนดีอาจจะสวยอาจจะอะไรเราอยากทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้รู้สึกอย่างนี้กันทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่าจะลงมือทําหรือจะควบคุมตนเองนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เรานั้งแตกต่างมีคําพูดที่เขาบอกไว้ครับว่าคนดีกับคนไม่ดีเนะี่ยต่างกันแค่อย่างเดียวอีกครั้งนะครับมีคําพูดที่เขาบอกกันว่าคนดีกับคนไม่ดีเนะี่ยต่างกันแค่อย่างเดียวคนดีไม่ทํา แต่คนไม่ดีลงมือทําก็แปลว่าในเรื่องของคิดคิดคิดไม่ดีเนี่ยมันมีกันหมดคนนี้ก็มีคิดไม่ดีผมก็มีความคิดไม่ดีเยอะแยะแต่ว่าลงมือทําอะไรไม่ลงมือทํานั่นแหละที่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเป็นคนประเภทไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องย้ํานะครับผมอย่าได้รังเกียจตัวเองอย่าได้ด่าว่าตัวเองถ้าเกิดมีความคิดไม่ดีแต่ถ้ามีปุ๊บเราต้องพยายามทําความเข้าใจกับอารมณ์นั้นๆของเราแล้วพยายามเลือกรับมือในรูปแบบที่ดีที่สุด อย่างความโกรธอย่างความเกลียดอย่างความหึงหวงอะไรก็ตามแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเราเองเพราะนี่คือบททดสอบของพวกเราทุกคนครับผมครับเนี่ยในส่วนของซูลาฮูดเนี่ยท่านยิบรีนวัลล้าลัมนะครับพวกเราได้ส่งท่านจิบรินมาเพื่อจัดการชาวสะดุมด้วยกับการพลิกแผ่นดินแต่ก่อนที่จะจัดการเนี่ยก็ได้ทาให้เกิดมีเหตุมีผลให้มันชัดเจนก่อนว่าทาไมพวกเขาถึงถูกลงโทษ คือไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บลงโทษเลยทำให้ชัดเจนก่อนก็คือให้มล า, ายกาเนี่ยจำแรงล่างเป็นผู้ชายชายหนุ่มรูปงามเข้ามาในเมืองของท่านอบีรูดขอคิดเวลานิดนึงนะครับบางท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไม่จบ น, นะเนาะมลายการูปงามที่เข้ามาครับแปลงล่างมาเป็นมนุษย์ซึ่งชาวเมืองก็ไม่รู้ไงพอเห็นปุ๊บตอนแรกเนี่ยมล า, ายกาเข้ามาก็มาเจอรูกสาวของท่านอบดรูดก่อน ก็ถามหาว่าเนี่ยเราหาพอจะมีที่พักให้เราไหมเราผ่านเมืองมาแล้วก็เราอยากหาที่พักหน่อยลูกสาวพอเห็นหน้าตาปุ๊บโอ้หน้าตาหล่อเราอย่างนี้ถ้าเข้าเมืองนี่คือลุกฮือแน่ก็เลยบอกเขาว่ารอตรงนี้นะเราขอไปคุยกับปรึกษากับพ่อก่อนลูกสาวก็ไปปรึกษากับพ่อพ่อก็เลยเรียกตัวไปคุยแล้วพ่อก็บอกว่าไปเถอะคุณอย่าพักที่นี่เลยรีบไปเถอะมันอันตรายคุณไปที่อื่นซะ เพราะยิ่งเป็นคนแปลกหน้ามาหน้าตาดีๆเนี่ยมันมีคนที่ว่าห้ามตัวเองไม่ได้แล้วอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเพราะเป็นเมืองที่ว่าขึ้นชื่อในเรื่องนี้มาลายกาจําแรงครับไม่ได้บอกนบีลุตว่าเป็นมาลายกาจําแรงมาแต่ก็ตื้นนบีลุตว่าขอพักเพราะมันมืดค่ําแล้วเราเดินทางไม่ได้ให้เราพักก่อนนบีลุตก็บอกว่าคุณพักแล้วเช้ารีบออกไปเลยแต่ว่าภรรยาของนบีลุตได้ข่าวเห็นปุ๊บหลออ ย, อย่างนี้ซึ่งภรรยาของนบีลุต น บ, บีรูตเป็นผู้สรัธทธาก็จริงแต่ว่าภรรยาของท่านเนี่ยนางเลือกเส้นทางที่ว่าสวนทางกับน บ, บีรูธก็คือนางเลือกตามกลุ่มชนของนาง น, นางก็ข่าวไปโพนาชาวเมืองพอได้ข่าวปุ๊บโอ้มีผู้ชายหล่อมาปุ๊บก็รีบมาหาน บ, บีรูธเลยมาที่บ้านมาจะพังประตูหรือบอกอา้าวรูธเราได้ข่าวว่ามีคนหล่อๆเข้ามาใช่ไหมเปิดประตูให้เราเดี๋ยวนี้นะเราอยากจะไปเจอเขาหน่อยน บ, บีรูธก็รู้ครับน บ, บีรูธก็บอกว่าเนี่ย พวกคุณที่มาคือที่มานี่คือผู้ชายล้วนๆอยไรงี้หาผู้ชายด้วยกันมาแบบไม่หวังดีแน่นอนนบีรุตก็บอกว่าในเมืองนี้ผู้หญิงมีมากมายทําไมคุณไม่แต่งงานชาวเมืองก็บอกว่าคุณรู้ว่าเราต้องการอะไรนบีรุตก็บอกว่าหากฉันสามารถจัดการพวกคุณได้ฉันก็คงจัดการแต่ฉันทําอะไรพวกคุณไม่ได้ถึงตรงนี้แหละครับที่ว่าท่านชีฟดีนก็บอกว่านาบีรุตบอกไม่ต้องกลัวเราเป็นอาาะไรแก เรามาพอ ร, รับคำสั่งจากพวกอัคละมาพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาคู่ควรกับการต้องถูกลงโทษแต่พวกคุณเนี่ยฝอัสติบิอาฮลิกพาครอบครัวของคุณไปซะพากลุ่มผู้ศรัทธาไปซะนบีรุตลูกสาวของคุณตัวคุณครอบครัวคุณหนีไปในยามค่ำคืนพอเข้าช่วงตอนกลางคืนปุ๊บให้รีบหนีไปเลยนะซึ่งนบีรุตเมื่อถึงเวลาท่านก็รีบหนีไปซึ่งชาวเมืองที่เข้ามานั้นก็ ทั้งหมดก็ถูกท่านชิวลินในทับซีดนะครับบอกว่าอย่างที่เราทราบท่านชิวลินมีปีกทั้งหมดหกร้อยข้างท่านเอาปีกมาข้างเดียวแล้วก็ตบชาวเมืองที่ว่ามาที่บ้านนั้นเสียชีวิตกันหมดหลังจากนั้นครับท่านก็เอาปีกของท่านงัดแผ่นดินยกขึ้นมาพิกคว่ำแล้วก็ฝังชาวเมืองตายทั้งเป็นหมดเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าพี่น้องสังเกตดูนะถ้าพี่น้องขุดหลุมลึกๆอะ่ะขุดหลุมลึกๆดินที่พี่น้องขุดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเอา กดไปอีกทีหนึง่งมันจะไม่เต็มนะสูาพาร์ล้อแปลกใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือดินที่เราขุดตั้แรกมันเรียบๆอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราขุดหลุมใหญ่ๆนะเอาดินออกมาแล้วดินนั้นกลับเข้าไปมันจะไม่เรียบแล้วมันจะเ ว, ว้าลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองซาดูมยิ่งกว่านั้นครับหลังจากที่ถูกพิควารณาถูกกดลงไปอีกต่างหากก็เกิดเป็นเวิงน้ําก็กลายเป็นทะเลสาบเดซี ซึ่งในการลงโทษของพวกนาร์ล็อกเมื่อพวกนาร์ล็อกก็ลงโทษกลุ่มชนใดก็ตามในสถานที่แห่งนั้นจะเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการมอาีอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตเด็ดขาดพี่น้องสังเกตดูจะเป็นมาดายินซอและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูเขาที่ว่ากลุ่มชนของนาบีซอร์แรครับสมูธเนะี่ยก็ไม่มีมนุษย์สามารถไปอยู่ได้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตผ่านไปบ้างอยู่ชั่วคราวแต่ว่าแทบไม่มีอะไรหยู่ถาวรเช่นเดียวกับเมืองซาดูมครับ เมื่อถูกพัวแล้วลงโทษมีอะไรอยู่เลยไหมครับกลายเป็นทะเลสาบเดซี่แต่ว่าชัยตอนมันก็สามารถหลอกล่อมุ้งได้ต่อแทนที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้เล่าต่อมาว่าระวังนะระวังพฤติกรรมที่ทําให้เราเล้าลอรังเกียจนะชัยตอนกลับเข้ามายุ่งใหญ่ให้คนคิดว่าไปทะเลสาบเดซี่ฉันต้องไปลอยตัวมันเป็นที่เดียวในโลกที่ลอยตัวได้ไปแล้วมีความสุขยิ้มแย้มแทนที่เราจะได้คิดว่านี่คือสถานที่ที่กลุ่มชนนี้เคยถูกลงโทษยกกลุ่ม แทนที่จะเพิ่มอีมานแทนที่จะเพิ่มความตักวากับกลายไปว่าเราไปยึดติดกับจุญยามากยิ่งขึ้นยิ่งโคลจากทะเลสาบเดซีนี่โอภพหน้ารู้สึกว่าหน้ามันหล่อมันสวยมันดีครับในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีบททดสอบของพระอัลลอฮ์อยู่กับผู้ศรัทธานั้นก็คือคนที่ว่าต้องพยายามรับมือกับบททดสอบทั้งหมดแล้วก็พยายามผ่านมันไปได้ในสภาพของบ่าวที่อัลลอฮ์รักนะครับผมในยามค่ำคืนยังมีอีก ในอิสราเอลออฟครับในเรื่องของนบีมูซาก็มีเช่นเดียวกันที่เราได้สัญญากับนบีมูซาไว้ว่าให้นบีมูซานั้นไปรับบัญญัติรับบทบัญญัติชริยะต่างๆเป็นเวลาสามสิบคืนเสรีซีน่เลยละเช่นเดียวกับเรื่องของอิสราอลมิอาารอสแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับผมเช่นเดียวกันครับผมถ้าพี่น้องจําประวัติศาสตร์ของนบียากูุกับนบียซุปได้ ทบทวนสั้นๆไม่เล่าให้หมดไม่งั้นคงไม่จบน บ, บียุซุฟอย่างที่พวกเราทราบก็คือถูกพี่น้องลุมกันแกงแล้วพี่น้องหมายถึงว่าได้อาธรรมทั้งต่อน บ, บียุซุฟแล้วก็ต่อพ่อของตัวเองพ่อของตัวเองคือใครก็น บ, บียากูบในตอนท้ายของเรื่องถ้าเกิดว่าพี่น้องจำกันได้นะครับในสุร่ายุซุฟเนี่ยพี่น้องของน บ, บียซุฟได้ไปหาพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อจะช่วย ขอต่ออัลลอฮ์ให้ให้อภัยโทษกับเราด้วยเถิดพ่อยกโทษให้ด้วยแล้วเบียกูบอกว่าไงครับก็ลาเซฟัสตอรฟิลูและกลุมร็อบบีไว้เดี๋ยวพ่อจะขออภัยโทษต่อผู้ยุบันให้กับพวกเจ้านะในกุล่านใช้คําว่าเดี๋ยวจะขอให้ไม่ได้ใช้คําว่าจะขอให้ตอนนั้นเลย ตรงนี้มีฮิกมาครับนักอธิบายกุรอานมุฟัซซิรูนหลายๆท่านนะครับให้ความหมายตรงกันนะครับว่าท่านนบดยากูบไม่ได้ขอตอนนั้นเลยเพราะท่านรอไปขอให้ในช่วงที่การขอดูอามีโอกาสถูกตอบรับมากที่สุดนั่นคือในยามช่วงสุดท้ายของยามค่ำคืนนหนังสือเต็มซีจะใช้คำว่าอัคคอรอหูอลาวักติซฮาร์มินไลลินจุมาคือท่านนบดุลยะกูบะ อยากขอดัวให้ฮอลล์ยกโทษจริงๆท่านก็เลยเลือกเวลาที่ดีที่สุดท่านเลือกเวลายามกลางคืนของวันศุกร์ในช่วงสุดท้ายของคืนที่การดอานั้นจะถูกตอบรับแล้วก็ขอดอาจากพฮัพวล้อฮัวล้อลูกของฉันเขาผิดพลาดไปแล้วช่วยยกโทษให้เขาด้วยคือส่วนของพ่อไม่ติดใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ติดใจลูกอยู่แล้วแต่กลัวว่าลูกจะถูกพวฮัวล้อลงโทษในการงานที่ไม่ดี พี่น้องคิดดูครับอดทนปราณีตเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตนเองนี่คือตัวอย่างที่ว่าท่านอบียรกรุ๊ปท่านได้ทําไว้ขณะ จ, จะขอดูอาภัโยโทษไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็อขอเลยขอเลยน ะ, ะเดี๋ยวพ่อขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ลูกฉันด้วยแต่นี่คือรอเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดพนันธมุสลิมเราจะทําอะไรต้องมีความปราณีตโดยเฉพาะในการทําอีบาดาให้อัลลอฮ์รักต้องมีความปราณีตครับผม ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากในยามค่ําคืนครับผมซึ่งอินชาลอ้นในที่ต่อไปนะครับเรายังคงอยู่ในช่วงของยามค่ําคืนอยู่เราจะมาพูดถึงละหมาดสุนนะที่ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟัดดูหลายๆท่านน่าจะรู้ว่าคืออะไรนะครับผมละหมาดสุนนะหรือพูดง่ายครับสุนนะพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาควายิปะครับที่ประเสริฐที่สุดก็คือการละหมาดเพราะการละหมาดคือสิ่งที่เรารักมากที่สุด ละหมาดสุด น, นะที่พู้อัลลอฮ์รักมากที่สุดอินชาอัลลอฮ์ครับในอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดคุยกันรวมทั้งละหมาดวิเตสแล้วก็ละหมาดตะฮัดยุดแล้วก็ละหมาตกิยามุลเลนความประเสริฐผลบุญแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับครับกับอัถถะที่บายอัลกุรอานในสุระอัลเลย์ลูกครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ด้วยกับเวลาก็น่าจะ ก, กําลังดีนะครับผม ไม่ดึกไม่อะไรเกินไปนะครับถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดเาูดอะไรผิดพลาดก็ทักท้วงตักเตือนมาได้แล้วก็ถ้าร่วงเกินท่านใดไปก็ขอมอัพด้วยนะครับเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ขอโดยจากพ่อเลาะให้ เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันผิดจริงๆแล้วเราออกห่างจากมันได้แล้วก็ขอให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เราสามารถปฏิบัติตามมันได้แล้วก็ขอให้พวงอละล้อนั้นอภัยในสิ่งที่ผ่านมาของเราจากสิ่งที่ไม่ดีของเราแล้วก็ขอพวงนั้นนําทางให้เรานั้นอยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่พวงละล้อรักพวงละล้อพอพระทัยด้วยเถิดแล้วก็ขอให้พวงละล้อนั้นให้ความจำเนิญให้บรารักกาให้ดิสกีให้สิ่งที่งดงามกับเรา ด้วยกับการที่พวกเรานั้นมาให้ความสําคัญกับคําพูดของพงศ์ก็คืออัลกุร่าของพงศ์แล้วขอให้คุรอานั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสบายใจแก่หัวใจของเราเป็นการรักษาเยียวยากับพวกเราแล้วก็ขอให้เราได้รับสิ่งที่ดีในโลกนี้แล้วก็สิ่งที่ดีในโลกหน้าแล้วก็ขอให้เรารอดพ้นจากการลางโทษในหลุมฝังศพแล้วในไฟนรกด้วยเถิดอาเมนอัคูลูกาลีฮาละ و ละสักว <S ess> ัลล <S ess> ุลลอฮฺให้ ل ا ل ะคุณَ ل ِลิَัยลิมุสลิมีนั้น้น ب ื ا ท ل ่สัِวัลื่นนี่คืออั و ก ل ฟฟูร์ห م รหُ و ั ح ฮะนะกล่าวมาวยะฮ์มَิค ح ะขอให้เราละอิลลาห์อิลัมที่สักวัลและทูบุไรส์ละอัลลอฮฺุและอัลลอฮฺุและอัลลอฮฺَแลَอัลลอฮฺุและอัลลอฮฺุและอัล ل อฮฺุและอัَลอฮฺุและอั ا ลอฮฺุและอัล